นี่คนนี้ถามบอกว่าไปเลี้ยงไปช่วยเหลือรักษาสุนัขจอนจัดเป็นมะเร็งในช่องปากเวลาเห็นสุนัขเนี่ยมันจามอะไรเงี้ยเห็นเลือดมันไหลจิตจะเศร้ามากสงสารสงสารกับเศร้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะสงสารเป็นกุศลเนศะร้าเป็นอกุศลแต่กุศลตัวนี้สงสารเนี่ยจริงๆก็คือคําว่าการุณาเห็นเขาเป็นทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์ นี่ความอยากให้พ้นทุกเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่เป็นอุเบกขาพอไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดอุเบกขานะไม่รู้หรอกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของตัวเองใจเราก็เลยยอมรับไม่ได้เห็นสุนัขมันน่าสงสารเกิดกรุณาพะขาดอุเบกขากำกับมันก็พลิกเป็นโทสะเศร้าเป็นโทสานะเศร้าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเลี้ยงสัตว์เนี่ยเมตตากรุณาได้แต่ก็ต้องมีอุเบกขานะ ถ้าไม่มีอุเบกขากำกับไม่พิจารณาลงไปว่าสัตว์ทั้งหลายมันก็มีกรรมของมันเองเนี่ยตัวกรุณามจะพลิกเป็นโทสะนะงั้นอย่างตัวเมตตาก็เหมือนกันนะเมตตาเราเห็นคนนี้น่าสงสารนะเห็นคนนี้แล้วเรารู้สึกชอบหนนี้นะเมตตาเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรเมตตากับคำว่ามิตรคำเดียวกันนะมิตรคาว่าไมตรีคาว่าเมตตา คำว่ามิตรคำว่าเมตไตรชื่อของพระศีลานนะเมตไตรคำเดียวกันคือไมตรีคือความความรู้สึกเป็นมิตรเวลาที่เรารู้สึกเป็นมิตรกับใครรู้สึกดีๆกับใครเนี่ยราคามันจะแทรกนะราคามันจะแทรกเพรา ะ, ะนั้นต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะจิตไม่เป็นอุเบกขาไม่เมตตาเฉยๆจะกลายเป็นราคะทีแรกก็เมตตาเขาดีๆเสร็จแล้วก็อยากรู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาขึ้นมานะ มันจิตเนี่ยมันพร้อมที่จะพลิกเป็นอกุศลตลอดเวลามีเมตตาก็พร้อมจะเป็นราคะมีกรุณาก็พร้อมจะเป็นโทสะนะมีมุทิตานะเห็นคนอื่นเขาดีแล้วก็ดีใจกับเขานะแต่มันชักจะดีหลายทีแล้วนี่ชักจะอิจฉาล้ใช่ไหมมันดีเกินไปนะไม่เห็นมันทําอะไรเลยทําไมมันดีอย่างนี้เนะนี่ยมันเกินไปโลกนี้ไม่ยุติธรรมนะ่ยไปโนอดละใช่ไหมไม่อุเบกขาอุเบกขาคือ ไปเห็นสมบัติของเขาเขาได้สมบัติเช่นทรัพสมบัติหรือชื่อเสียงเกียรติยศอะไรเนี่ยเขาทำของเขามานะเขาทำของเขามาเนี่ยสมควรเกิเหตุเป็นไปตามกรรมเนะนี่ยถ้าไม่เห็นตรงนี้ไม่มีอุเบกขาก็ไปอิจฉาเขานะอุเบกขานะเขาไม่มีปัญญาไม่มีสติกลายเป็นแห้งแรงแข็งกระด้างแล้วบอกว่าอุเบกขานะเห็นคนจะตายนะบอกชั้นอุเบกขา คนตกน้ำปำแปม์ปำแผลมอยู่เช่นอุเบกขานี่เข้าใจผิดแล้วนะอุเบกขาหมายถึงว่าต้องทำเมตตากรุณามุทิตาให้เต็มที่นะแต่ทำด้วยอุเบกขาไม่ใช่ว่าอุเบกขาคือไม่ทำอะไรเนะง่อนพวกเราที่ฝึกสติเนี่ยจำเป็นดีมากมีประโยชน์แค่เลี้ยงหมาก็ตกนรกได้แล้วนะหรือไปเกิดเป็นหมาได้นะต้องระวังมากนะพวกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็รักมันมากปูกพันธุ์มาก ถ้าตายไปในขนาดที่จิตเป็นห่วงมันอุย้ยแล้วเราตายแล้วใครจะเลี้ยงมันนะเรานี่แหละจะมาเป็นเปรตอยู่กับหมานะหรือว่ารักใคร่พอใจนะโอ้เอาหมาไปอุ้มไปกอดอยู่ทุกวันนะจิตใจผูกพันกับหมาตายไปก็เป็นหมาได้นะมันแล้วแต่ว่าจิตขนาดนั้นจะเป็นอกุศลหรือเปล่าดังนั้นเราจะต้องมีสติสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเห็นไหมใครถามเรื่องอะไรตอบได้หมดอนะ ลงเรื่องเรื่องสติได้แล้วนะถ้าลงได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจบได้ถ้าลงสติไม่ได้นะจบไม่ลงนะนักปฏิบัติหน้ามีแต่สตินี่แหละดีที่สุดนิ่นต้องดูนะดูใจของเราไปใจที่เศร้าหมองสงสารหมาเมตตากรุณาได้นะแต่อย่าให้เศร้าหมองส่วนอีกคนหนึ่งที่ถามถามเรื่องวิญญาณนะ วิญญาณเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่แล้ววิญญาณพาจิตไปเกิดนั้นสำนวนหลวงปู่ดูลนะสุดท้ายก็ปล่อยวางเข้าสู่นิพพานจิตวิญญาณดับลงนะวิญญาณดับลงแต่ธาตุรู้ธรรมชาติธาตุธรรมธาตุอะไรพวกนี้มันไม่ได้ดับไปไหนนะธรรมธาตุก็ยังทรงอยู่อย่างนั้นเองแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องเรียนหรอก อย่าว่าแต่ไปอ่านหนังสือแล้วมาถามหลวงพ่อเลยหลวงพ่อได้ยินหลวงปู่ดุลยพูดเองหลวงพ่อยังไม่ถามท่านเลยนะท่านเทศให้ฟังนะั้นตั้งแต่จักรวาลเกิดได้ไงจนกระทั่งเกิดสัตว์ขึ้นมานะก่อนจะมีสัตว์นะัมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณถนะ้าคงพวกต้นไม้ลนะมังนะเซลล์พืชอะไรเงี้ยนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีเซลล์สัตว์ขึ้นมานะสัตว์นี่มีจิตขึ้นมานะจิตก็ทํางานสร้างกรรมตลอด จิตไม่มีสร้างอะไรดีๆจิตชอบสร้างกรมชั่วก็สะสมวิบากไปเรื่อยๆยิ่งวิบากมากอากุศลมากรู้สึกไหมของเราไม่ต้องรอวิญญาณที่ไหนหรอกเวลาที่เราทำอากุศลมากรู้สึกไหมมันเป็นก้อนเบ้อเลื่ยที่หน้าอกเหอนะเป็นก้อนกลมๆนะหมุนอยู่ในหน้าอกนี้แหละสะสมอากุศลไว้เยอะๆถ้าสุกุศลเยอะๆนั้นมันก็ ค, ค่อยๆบางไปเพราะฉะนั้นปุถุชนแปลว่าคนหนา ก้อนนี้หนามากนะเหนียวหนาครอบงําจิตอีกทีหนึงเนี่ยเราค่อยฝึกนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาไปก้อนนี้เบาบางไปเนี่ยลงปู่สอนไปจนกระทั่งถึงกระบวนการนิพพานลีลาแห่งการนิพพานนะเรียกลีลาลีลาน่าขันนิดับขันนี้ดับขันนิดับเนี่ยนับจับจับลงไปในอย่างนี้อรพิธรรมไม่มีอรพิธรรมไม่พูดแต่ว่ารูปนามเวระดับเมื่อดับไปด้วยกัน นี่หลวงปู่นี่แจกแจงสภาวะละเอียดแจกแจงละเอียดจนกระทั่งเราฟังแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่รู้เรื่องหลวงพ่อไม่ถามหลวงปู่เลยว่าที่หลวงปู่พูดมาให้ฟังนี้ช่วยขยายความหน่อยไม่มีนะถามอย่างเดียวที่หลวงปู่พูดมาตั้งเยอะเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหม <S <S นะท่านบอกแค่นี้พอแล้ะแค่นี้พอผมก็เอาแค่เนี้นะขอแค่นี้แหละนะแค่นี้มันพ้นทุกข์ได้แล้วนี่นะถ้าพ้นทุกข์ได้แล้วเราก็เอาละแค่นี้นะ ส่วนกระบวนการนิพพงนิพานนะภาวนาไปเถอะแล้วก็รู้เองแหละนี่ท่านสอนไว้ให้ทิ้งร่องรอยไว้ให้ดูเป็นบุญคุณของท่านเพราะครูบาอาจารย์ที่สติปัญญาแก่กล้าเท่าท่านนี่หายากที่สุดยากมากนะท่านเรียนเร็วมากเลยไปเรียนจากหลวงปู่มั่นเน่แป๊ะแ ป, ะ ป, ะปะท่านไปละเร็วมากเลยบารมีท่านเต็มความจริงท่านไม่ได้มุง่งแค่สาวกบารมีท่านมุ่งเป็นพระปัจเจก นั้นหลวงปูด่ดุลไม่พูดมากนะนั่งเงียบๆวันวันหนึ่งโยมไปหาอยากนั่งก็นั่งไปสิไม่ว่าอะไรหรอกนั่นก็นั่งท่านเข้าใจของท่านนะฝึกฝนอบรมมาทางพระปัจเจกแต่ว่าไม่ใช่ท่านไม่มีความรู้ความรู้ท่านมากกว่าพระทั่วๆไปนะเพราะว่าบารมีของพระปัจเจกเนี่ยสูงกว่าบารมีของพระสารีบุตรอีกถ้าเต็มปุม่มแต่ท่านไม่ได้เต็มปุ่มพระปัจเจกนะท่านลาซะ ก, ก่อนมันความรู้ท่านเยอะ รู้กระทั่งวิาพากควิจารได้กระทั่งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะความรู้ของท่านเยอะนะเราไม่ได้เรียนฟิสิกส์เราไม่ได้รู้อย่างท่านเลยของท่านไม่ได้เรียนฟิสิกส์นะท่านเรียนจิตนะท่านบอกความรู้ทั้งหลายออกไปจากจิตนี้เองก็ต้องยกให้ท่านไว้เราตามท่านไม่ได้นะเอาให้พ้นทุกขก์พอแล้ววันนี้ยมนั่งห่างไปนิดนึงนะรู้สึกเสียบรรยากาศ ห่างเหินอา้าวใครจะถามเชิญ อ, อ้าวโอองค์กันบ้านค่ะหลวงพอ่อเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วค่ะหลวงพอ่อโอ้ก็ เ, เดินเดินรู้สึกตัวอยู่นะคะพอเสร็จแล้วจิตก็มันก็รู้ว่าลมไปะคะ่ะแล้วก็แทรกแซงบ้างรู้บ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอสักสักพักหนึ่งะคะ่ะเขากา็จิตมันก็ เป็นกลางขึ้นมาในความรู้สึกตอนนั้นโอรู้สึกได้ว่ามันมันเป็นกลางมันไม่มันขนาดที่ว่าจิตที่มันไม่เป็นกลางในขณะนั้นนะคะแล้วพอจิตดวงเนี้ยที่ที่ที่เป็นกลางเนี้ยไปรู้มันเป็นกลางแบบพอดีพอดีเป๊ะเลยอะค่ะแล้วก็มันณตรงนั้นอะโอมันเป็นอยู่ไม่นานนะคะมันเหมือนกับมันตั้งได้ไม่นานนะคะโอมีความรู้สึกเหมือนกับว่า อารมณ์ทุกช็อตทุกขณะที่ที่เป็นสภาวะธรรมที่จิตดวงนี้ไปรู้อะค่ะเพราะมันมันราบเรียบเสมันราบเสมอกันหมดใช่ค่ะอย่างนั่นแหละดีนะจิตตัวนี้นอะมันมีอุเบกขากับทุกสิ่งทุกอย่างแล้มันรู้โดยไม่ปรุงแล้วเมื่อมันรู้โดยไม่ปรุงนะโลกธาตุจะราบเป็นหน้ากลองเลยมันเสมอกันหมดอย่างหลายๆเราเห็นคนเยอะๆนี่ดูไปนี่นั้นมันไม่สะดุดขึ้นมาเป็นคนๆนะ มันราบไปหมดเลยรู้สึกไหมรู้สึกว่ามันแต่ละขณะเนี่ยน้ำหนักมันเท่ากั น, นเท่ากันหมด<ล>นะเพาใจเราไม่ปรุงนั่นแหละที่คําว่ารู้สักว่ารู้แหะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็เสื่อมได้นะใช่ค่ะนะแล้วก็รู้ของเราไปบางคนมาถึงตรงนี้แล้วก็เกิดอริยมรรคเลยนะบางคนถึงตรงนี้ยังไม่เกิดถอยไปอีกไปเริ่มต้นมาอีกก็ดูใหม่กําลังพอมันก็ทะลุกออกไปเลยกําลังยังไม่พอก็เริ่มต้นใหม่ นับหนึ่งไปไม่ต้องนับสองนะอย่าไปเริ่มต้นจากตรงที่ราบราบนี้นะถ้าทุกวันจะเริ่มต้นจากตรงนี้จะทําผิดละตรงนั้นแหะคือปัญหาของโอเลยอารมณ์พ่อแล้วตรงเนี้ยมันจิตมันหอยหาแต่อารมณ์นั่นอ่นไม่เอาน่านับหนึ่งนับหนึ่งนะอย่านับสองนับสามนะนับเกานับอะไรไม่เอานั้นน่ะนับหนึ่งหมายถึงรู้ปัจจุบันไปรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีหน้าที่เท่านี้นะที่เหลือมันเป็นเองจิตมันไปชอบไปเรียนแบบแต่มันก็ทำไม่ได้แน่นอนเลย อย่าว่าแต่ตรงนี้เลยนะเวลาที่มันเกิดอริยมรรคไปครั้งหนึ่งแล้วนะมันจำได้บางคนอนะ่ะสติปัญญามันเร็วนะมันยพยายามสร้างอริยมรรคเทียมขึ้นมานะแหมมันจะต้องแวกก่อนนะแวกโลกธาตนะุให้รู้ทันลงไปนับหนึ่งไว้นะแล้วโอ๋เห็นว่า สัมมาสมาธิอะค่ะก็โอ้มีความรู้สึกไม่รู้เข้าใจถูกปะก็ต่างจากตรงนี้มันมันมันมันมีความตรงนี้แหละเป็นสมาสมาธิจริงๆริงอันนั้นเป็นสมาสมาธิเทียมเทียมเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นแหละสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาธิฏิคือตัวปัญญาประชุมอยู่ตรงนี้แหละนะ ถึงว่ามันมีความความเข้าอกเข้าใจความชื่นใจแตกต่างกันเยอะเลยแตกต่างกันนะไอ้ที่ทําอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกเราก็เรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาธิฏิเรียกเอาใจไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ของจริงหรอกคนละรสคนละชาติกันแล้วก็อพิจารณาย้อนกลับไปมันยากมากกว่าจะได้ตรงนี้เหมือนเหมือนต้นช้างเข้าลูเข็มก็ค่อยทำเอาหน้านับหนึ่งไป มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะขณะไปนะมันรอดดูเข็มเองพะรอดออกมาแล้วหันกลับมาดูมันมุดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะไม่รู้มันหลุดมาได้ยังไงนั่นแหละดีละพาวนานะแล้วไงอีกโอเคเข้าใจเลยว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเอถ้าเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางนะคะไม่ว่าจะมันที่หลวงพ่อเคยเทศว่าไม่ว่าจะเป็นพบนรกหรือพบสวรรค์มันเท่ากันหมดอถึงตรงนี้นะถ้าเราไปเจอพระพุทธเจ้านะ แล้วเราตั้งความปรารถนาขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยท่านก็จะส่งจิตไปดูปุ๊บอ้อโน่น อ, นอีก1ิกองสงขายแสนมหากราบเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างนีนะ้จิตที่เดินถึงตรงนี้นจะเป็นรอยแยกมีทางแยกนะทางหนึ่งแยกไปพุทธภูมินะทางแยกหนึ่งไปสาวกภูมิทางแยกไปสาวกภูมิพอมาถึงตรงนี้แล้วหลุดปุ๊บออกไปเลยเกิดอริยมรรคขึ้น นะตรงนี้เป็นจิตสุดท้ายสูงที่สุดแล้วที่มนุษย์จะปฏิบัติไดนะ้จิตที่เป็นหนึ่งเดียวเลยเป็นกลางกับโลกกาธาตุคาว่าเป็นหนึ่งเดียวรู้สึกไหมเท่าเทียมกันหมดเลยนะทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยเป็นกลางโล ก, กาธาตุนี้เป็นกลางสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดเลยนระกหรือสวรรค์ก็เท่ากันหมดเลยเทนะ่ากันหมดในความว่างๆไม่มีสาระอะไรไม่ได้น้อมใจให้ว่างแต่มันเห็นความจริงว่ามันว่าง ถ้าน้อมใจให้ว่างไม่ใช่นะน้อมใจให้ว่างเป็นสมถกรรมฐานชื่อว่าอากาศารัญใจ ย, ยตนะใช้ไม่ได้นะน้อมใจว่างใช้ไม่ได้แต่พอเราจเจริญสติมากเข้ามากเข้าเห็นโลกธาตุนี้ว่างเปล่าจะความเป็นตัวเป็นตนแล้วนะนี่ทางเดินเดินอย่างนี้แหละถ้ามันหลุดออกไปนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สานี่หลุดออกไปแล้วยังกลับเข้าไปติดอีกลุด4ครั้งนะก็ขาดสะบั้นกันตรงนั้นเลยดีภาวนาไป นีพัฒนาเยอะนะแต่อย่าดีใจนะดีใจแล้วเสื่อมหมดเลยต้องน้ำหนึ่งนะค่ะอมีอะไรต้องเพิ่มเตมิมไหมคะหลวพ่อไม่เพิ่มมีแต่ลดอย่าอยากนะรู้ลูกเดียวมันก็ห้ามไม่ได้เหมือนอยนห้ามไม่ได้รู้ว่าห้ามไม่ได้นะรู้ไปอย่างนั้นหละเนี่ยเรียนเยอะไปไม่ดีตรงเนี้ยเรียนเยอะแล้วคาดหวังนะีจริงๆก็คือเหมือนเราไปยืนพิงกําแพงอยู่แนละ้ว ขยับอีกนิดเดียวกำแพงนี้ทะลุละวนะกำแพงนี้ไม่ได้เป็นกำแพงหนาอะไรเลยนะเป็นเยื่อบางๆนิดเดียวเองงั้นะถ้าสติปัญญาแก่รอบนั้นทะลุเลยนะสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ถูกทำลายออกไปนะจิตที่ไม่ถูกอะไรห่อหุ้มปกคลุมไม่ถูกอะไรย้อมก็ปรากฏขึ้นมานะปรากฏขึ้นมาชั่วขนาดเท่านั้นแหละนะสองสามขณะเองก็กลับมาห่อหุ้มใหม่ มันเก่งจริงๆนะมันคล้ายๆเราเดินฝ่าเข้าไปในกลุ่มควันเนี่ยมีพัดอันหนึ่งโบกไปด้วยโบกแวกฟุบใช่ไหมกลับมาละค ว, วันกลับมาปิดอย่างเก่าแวกอีกฟุบหนึ่งกลับมาปิดอย่างเก่านะในที่สุดต้องใช้พัดหลมยักอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เฝ่ามันหายไปเลยนะมันกระจายกระจายหายศูนย์ไปเลยมาอีกไม่ได้เหมือนโยนหินลงบ่อเห็นไหมบ่อที่มีแหนะ โยนก้อนหินลงไปตุ้มแหนแหวกออกไปเข้ามาปิดตุ้มแวกอีกต้องโยนก้อนใหญ่ๆยิ่งก้อนเท่าบ่อได้ยิ่งดีตุ้มลงไปแหนหายไปหมดเลยนะ <c oughs> ต้องทำเอานะต้องทําไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้แต่มนุษย์เกินธรรมดาทําไม่ได้หรอกนะพวกซูเปอร์แมนซูเปอร์วีแมน นะมด X e, มด y มด Z ซอะไรเงี้ยทาไม่ได้ดอกแมงมุมนะแมงมุมสีต่างๆทําไม่ได้ card. ต้องมนุษยธ์ธรรมดานะมนุษย์ข้างข่าวก็ไม่ได้นะชื่อเป็นมนุษย์แต่ว่ายังเป็นอมนุษย์อยู่นะนต้องเป็นมนุษยธ์ธรรมดาจิตใจของมนุษยธ์ธรรมดานี่แหละรู้สึกมันไปรู้สึกกายนะรู้สึกใจกระทบอารมณ์แล้วก็ยินดีบ้างกระทบแล้วก็ยินร้ายบ้างรู้อย่างนี้เรื่อยเห็นแต่มันเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยากเข้าไปแทรกแซงมันรู้ปัจจุบันอย่างนี้นะ รู้ไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างโอนี่แหละนี่คนนี้ชื่อโอนะอโอเป็นอาจารย์สอนโยคะใครจะเรียนก็ามาสมัครเอาเสียสตังนะไม่ใช่เรียนฟรี <c oughs> อ้าวต่อไปเชิญเบอร์ 90. เก้าิบอ้าวยมผู้หญิงนั้นส่งไปแล้วเดี๋ยวไปเบอร์เก้าสิบกรดนักราชการหลวงพ่อจะกรายมขอส่งกันบ้านเมื่อครั้งก่อนเดือนที่แล้วได้ มาปฏิบัติในวัดะคะ่ะ ห, หลวงพ่อให้ไปดูจิตที่เคลื่อนอค่ะกลับไปก็ไปสังเกตก็ได้เห็นว่ามันควบคุมไม่ได้จริงๆอะคะอควบคุมไม่ได้ <c oughs> ค่ะจิตยอมรับเลยค่ะแล้วนะดูอย่างนะนะั้นแหะไม่ต้องดึงเลยนะคะไม่ดึงน ะ, ะ, ะ, ะแล้วทีนี้พอมาครั้งนี้นะคะข้อตั้งใจจะมากลับขอบพระคุณหลวงพ่อ เออนื่องจากว่าเตรียมตัวเรียบร้อยหมดทุกอย่างทั้งตั๋วเดินทางกลับปรากฏว่าถูกกิเลสเล่นงานอย่างแรงมากนะคะเกือบจะไม่ได้มาแล้วค่ะ mm hmm. โดยที่ไม่รู้ว่ามันเล่นงานมันเอาจุดอ่อนของโยมตรงที่ความแก่หนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็ความเจ็บป่วยอะค่ะมันเอาให้เจ็บเลยนะคะ mm hmm. ปวดหลังมากปวดท้องก็ไปบอกยกเลิก คณะบอกว่าป้ามาไม่ได้แล้วจริงๆนะเป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อนก็ดีนะคะเอายาให้แล้วก็ให้คำบอกตั้งไว้พี่มันไปจริงๆไม่เป็นอะไรหรอกนยคะ่ะแต่มันก็ยังโลเลไม่ตั้งมั่นกลับเข้าไปเปิดซีดีของหลวงพ่อนะคะโอ้โหได้ยาวิเศษจริงๆอะคะ่ะมีคำบอกว่าถ้าเราหวั่นไหวในความเสื่อมเนี่ยเราจะ อยู่กับความเสื่อมตลอดไปอืมโอ้ oh, แค่นั้นเองค่ะมีแรงเลยค่ะกลับมาบอกเพื่อนเลยค่ะไปไปและปรากแล้วโลกที่มันมาหลอกนั้นมันหายค่ะตัวนี้เขาเรียกว่ามารน ะ, ะชื่อว่าขันธาน์ามันขันธ์ามันเนี่ยเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมาหลอกค่ะออพอดีพอชนะมันก็รู้สึกว่าการมาฟังธรรมครั้งนี้ก็ได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยดูโยมว่าปฏิบัติถูกทางแล้อยงถูกนะถูกแต่ตอนนี้โยมยังไปหยิบใหม่เข้าใช่ไหมมันก็เลยเกินจริงนะมันไปประค<ช>ับประคองไว้ที่โยมฝึกอยู่ใช่ได้แล้วนะดีแล้วฝึกต่อไ ป, จ, <ะ>อไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้สึกจิตเคลื่อนไปแล้วรู้สึกรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆน ะ, ะไม่เลิก <c oughs> การภาวนานเราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทั่งมรรคผลนิพพานก็อย่าไปอยากได้มัน <Okay. S 1> คนไหนอยากได้มรรคผลนิพพานจะไม่ได้จะไม่นะจะไม่ได้ตอนได้แนตะ่ไม่ทันตั้งหลักจะอยากมันอยากอยู่ไม่ได้นะหมดอยากเราได้ <c oughs> งั้นเราอย่าไปอยากปฏิบัติเราแค่ถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าไป ดีแล้วที่ได้รู้สึกตัวดีแล้วที่ใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นดีแล้วเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยดีแล้วที่ได้ปฏิบัตินะไม่จำเป็นว่าดีแล้วที่ได้ผลนะดีแล้วที่ได้ทำเหตุต้องตั้งใจไว้อย่างนี้ส่วนผลมันเป็นผลปล่อยได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันชาตินี้ยังไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้จนได้แหละต้องตั้งใจอย่างนั้นนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ ถือว่าเราได้ปฏบิบัติบูชาพระพุทธเจ้าดีที่สุดแล้วไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาเนี่ยเราจะเพิ่มมาตราตัวตนไปเห็นไหมเพื่อให้กูดีกูสุกกูสงบกูวิเศษเพราะกูได้เป็นพระอริยะเนี่ยกูตัวเบลอเลยนะแต่ถ้าเราภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปฝนะึกอย่างนี้นะได้ผลเร็วนี่เป็นลูกเล่นนะกิเลสหลอกเรามากแ ล, แล้วเราก็หลอกมันบ้างนะแต่ส่วนมากก็มีแต่ถูกมันหลอก นะยากเหลือเกินที่จะหลอกกิเลสได้เพราะกิเลสอยู่ในใจเราเราคิดอะไรกิเลสรู้หมดเลยแต่กิเลสคิดอะไรเราไม่เคยรู้เลยนะมันเก่งจริงๆนะมันมวยคนละชั้นเลยหารสู้ขึ้นไปทีไรถูกมันชกด่างจมูกหงายท้องทุกทนะีตอนสุดท้ายนี่เริ่มฉลาดฉันไม่สู้แกหรอกแต่แกเล่นอะไรฉันจะดูลูกเดียวเลยฉันไม่สู้กับแกแล้วนะสู้ทีไรฉันแพ้ทุกทีเลยเพราะต่อไปนี้ไม่สู้กิเลสแล้วจะรู้มันไปเรื่อยๆ นี่รู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมาทำอะไรเราเราไม่ได้ชกกับมันนะอยู่กันกคลเวทีแกก็เต้นไปสีเต้นฟุตเวิร์คไปฉันไม่ขึ้นไปชคด้วยนะเดี๋ยวมึงก็หมดแรงเองนี่ต้องอย่างนี้นะนะมันสลายตัวเองแหลนะเราต้องไม่ไปยุ่งกับมันนะเอาเบอร์ก้าบับนรัสกาครับหลวงพ่อคราวที่แล้วมาสองวันก่อนแล้วก็วันนี้มาส่งกันบ้านอีกครับก็ มีความตื่นเต้นแล้วก็เมื่อช้ามีโมหะแล้วก็โทรศัพ์ตอนนี้ดูเหมือนไม่รู้อะไรเท่าไหร่เลยก็มีโมหะไงก็อะไรไม่รู้นะครับง่ายๆเลยนะถ้าหากมีราคามีโทรศัพท์อย่างนี้มันรู้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีโมหะเนี่ยจะรู้สภาวะไม่ได้เพราะโมหะคือความไม่รู้สภาวะนะเพั้นตอนนี้บ่แบเต็มทีไม่รู้เรื่องแล้วนี่แหละโมห oh ะละพอรู้ว่านี่โมห oh ะนั้นรู้ได้ใจเป็นกลางนั่งแหวกฟึบเลยนะสว่างจ้าขึ้นมาเลยก็คือ เหมือนคราวที่แล้วรก็เห็นกิเลสเยอะเห็นเห็นเห็นบ่อยเห็นทั้งวันแล้วหลว่อชมว่าดีผมก็นั่นแหละดีครับยิ่งเห็นกิเลสยิ่งดีนะอแต่ว่าเราเห็นแล้วเราไม่ได้ไปสู้กับมันรเราเห็นกิเลสเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่ไปยุ่งกับมันเหมือนหมาหมาวิ่งหน้าบ้านเราเราไม่ต้องวิ่งไปกัดกับมันเราอยู่ในบ้านแค่นั่งดูมันผ่านมาผ่านไปต้องทาใจแบบนี้ครับ หลวงพ่อชมแล้วผมก็ยังไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่เพาทุกวันมันก็ชมตัวเองอยู่ครับมันน่าด้านดีที่รู้ไงนะดีที่รู้ว่ามันชมตัวเองทุกวันเป็นกลางดีนะเมื่อเปลี่ยนกลางก็ยังดีเลยถ้ให้รู้ทันลงไปว่ามันฟุ้งซ่านแล้วถ้ามันชมตัวเองนะมันฟุ้งซ่านนะให้รู้ลงไปนี้เธอกําลังฟุ้งซ่านแล้วแต่ชมบันบ้างนะอย่าเอาแต่ด่ามันบางคนภาวนานะด่าจิตทุกวันเลยทําไมไม่โง่อย่างนี้โง่แล้วเกินสอนไม่รู้จักจา นะสงสัยเป็นกรรมพันธนะุ์นะอย่าไปด่ามันนะจิตใจนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงปู่ขาวนะท่านภาวนาแล้วท่านก็โมโหจิตท่านอยู่เจริญแล้วก็เสื่อมอยู่งั้นแหละท่านโมโหท่านก็นั่งด่านั่งแช่ง น, ะนั่งอยู่บนเขานะเช้าขึ้นมาไปเจอหลวงปู่มั่นถูกท่านอบรมสั่งสอนอยา่าไปด่าจิตนะจิตเป็นของดีของวิเศษอยา่าไปด่ามันนะ่นแล้วก็เลยสอนให้เจริญเมตตานะท่านขี้โมโหนี่ หลปู่มั่นให้ท่านเจริญเมตตาแจขงท่านสงบพอใจท่านสงบแล้วท่านก็มีปัญญาท่านมาดูจิตตัวใจของท่านนะเห็นเลยจิตของท่านยังมีเชื้อเกิดอยู่คือมีอวิชชาอยู่พอเห็นลงไปเห็นลงไปนะโอ้ยตัวจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะเป็นตัวทุกข์ล้วนเนี่ยท่านนี้ก็สลัดจิตทิ้งไปนี่ลีลาของท่านเห็นข้าวออกรวงนะท่านเดินไปบิณฑบาตท่านเห็นข้าวออกรวง ข้าวนี้มีรวงข้าวมามีเม็ดข้าวมานะเพราะมันมีต้นข้าวต้นข้าวนี้มันก็มาจากเมล็ดข้าวนี่มันหมุนเวียนอย่างนี้ไม่รู้จักสิ้นสุดจิตนี้ก็เหมือนกันนะสร้างพบสร้างชาติไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะเชื้อเกิดของมันยังอยู่เชื้อเกิดของมันคืออวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนั่นเองความไม่รู้อริยสัจคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรา งั้นถ้าเราคอยดูไปด้วยนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกดูอย่างนี้เรลยนะเบื้องต้นได้โสดาเบื้องปลายก็เห so ็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกเห็นแต่ okay. ทุกลุ้นล้วนนะสภาวะทั้งหลายนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรดับไปเห็นอย่างนี้นะเรียกว่ารู้ทุกแจมแจ้งพอรู้ทุกแจ่มแจ้ ง, ระรจจงละสมูทัยหมดเลยนะเหมือนอย่างที่โอเป็นรู้ทุกแจ้งแล้วมันละสมูทัยนะ ใ, ใ, นใจหมดความดินน้นรนความดิ้นรนของจิตมี3แบบอันหนึ่งดิ้นไปหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะ อันที่สองมันดิ้นที่จะรักษาตัวมันเองไว้มันอยากเป็นอมตะอันที่สถ้ามันไปกระทบอารมณ์แล้วมันมีแต่เรื่องไม่ดีมีแต่เรื่องทุกข์มันอยากให้สาบสูญหายไปเลยตรงที่วิ่งเที่ยวหาอารมณ์เรียกว่ากามตันหาตรงที่มันอยากจะคงดำรงอยู่เอาเป็นอมตะนิรันดร์การเรียกว่าภวะตันหาตรงที่มันอยากให้สูญหายตายจากไปนั้นเรียกว่าวิภวะตันหานใจนะมันจะดินอย่างนี้แหละ หลวงพ่อพูดให้ฟังยอะๆอย่าตกใจนะทั้งหมดนี้ที่หลวงพ่อได้มาเนี่ยได้มาจากการดูจิตเทนะ่านั้นแหละดูจิตจนเกิดสตินะพอเกิดสติแล้วคราวนี้ไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวละบางครั้งก็ดูจิตบางครั้งก็ดูกายบางครั้งก็ดูเวทนาแล้วแต่สติก็จะไปรู้เราเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้มันทำำนําของมันเองดูไปดูไปอูนะ้ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีบางคนเห็นตัวเราไม่มีนะตกอกตกใจนี่มักเลยไม่เกิดเพราะหมดแต่ตกใจสัก่อน มือเมื่อแต่เบื่อซะก่อนนะงั้นะรู้ไปรู้ไปอีกอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยรู้จนเป็นกลางนะรู้จนกระทั่งเข้าสู่ความเป็นกลางไปส่งไปข้างหลังนะครับขอบคุณครับพ่อวิลาส่งกันบ้านหลวงพ่อคะวันนี้มันโมหะเยอะอะค่ะแต่ว่ามีอย่า ง, างนั่งๆฟังอยู่แล้วมันเกิด คิดไปเรื่องเรื่องนึงอะนะคะที่คิดว่ามันไม่ควรคิดก็ไปกดไว้แต่พอรู้ว่ากดปุ๊บเนี่ยมันพอเลิกกดมันหายไปหมดเลยค่ะเดิมที่คิดก็ไม่คิดแล้วเออน ะ, ะนั่นแหละสติปัญญาเราเริ่มไวขึ้นไวขึ้นนะมันมีกําลังแล้ไม่ไปยุ่งกับมันอะ่ะพอไม่ใส่ใจมันมันก็หายหมดแหลนะมันแต่ตอนแต่ตอนที่เห็นปุ๊บมันไม่ได้หายนะคะต้อง <ใจ S 2> กดต่อค่ะนะเราอยากให้หายนะไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางก็เลยไปกดเอาไว้ กดเอาไว้แล้วก็พอกระทบอารมณ์ใหม่ลืมเรื่องนี้ไปชั่วคราวมันเว้นว่า<ะ>เว้นว่ามันขาดไปเรารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่<ะ>พอเรามีสติอยู่คราวนี้มันก็ไม่มาปรุงเราละนะมันก็ไม่มาต้องต้องแก้ไขอะไรอีกไหมคะไม่แก้นะรู้สึกไปที่<ะ>อ้อฝึกอยู่ดีแล้วนะขอบคุณค<ะ>่ะชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวนะก็ออะเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราคือเอาธรรมะนี่แหละไม่มีอะไรดีกว่านี้เลย หลวงพ่อเป็นชาวโลกมาจนแก่นะกว่าจะบวชนะอายุตั้ง48นะเนียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จนแก่ไอ้ความสุขในทางโลกเนี่ยรู้จักทั้งนั้นเลยนะเงินก็มีใช้ตำแหน่งก็ใหญ่อะไรก็มีหมดนะครอบครัวก็มีแล้วไม่ต้องปวดหัวมีลูกมีปัญหาอะไรนะเพราะไม่มีลูกสบายนะใครมีลูกเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะบอกบัณฑิตไม่ปรารถนาบุตรแต่ถ้ามันเกิดแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องไปปรารถนาให้มันตาย <laughs> เนี่ยเราภาวนาไปนะเรารู้เลยในโลกนี้ไร้สาระจริงๆไม่มีอะไรหรอกเพราะงั้นเราทิ้งโลกแลเอาธรรมหลวงปู่เทศสอนบอกสิ้นโลกเหลือธรรมธรรมะเนี่ยอยู่กับเราตลอดธรรมะไม่ทิ้งเราธรรมะไม่เคยทอดทิ้งเรานะมีแต่พวกเราแหละทอดทิ้งธรรมะพวกเราทอดทิ้งธรรมะเพราะเราชอบอาธรรมอะไรคืออาธรรมโลภะโทสะโมหานี่แหละชื่อว่าอาธรรมนะ นี่ถ้าเรารู้ทานเรามีสติขึ้นมานี่โลภะโทสะโมหะเข้ามาไม่ได้อาธรรมไม่มามก็เหลือแต่ธรรมะสินะใจเราอยู่กับธรรมนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมีความสุขคนไหนเขาดูจิตดูใจเป็นนะเขามาดูจิตเรานะเขาบอกโอ้ช้ำอย่างเลยนะชุ่มชํำนะไม่ใช่ชํำแบบเน่าในแล้วนะชํำแฉะไม่ใช่นะชุ่มชํำเบิกบานฝึกนะ้ายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขคนในโลกยิ่งแก่ยิ่งทุกข์นะ เรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขเพราะเราชั่วโมงบินเรามากขึ้นมากขึ้นเราฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยไม่ท้อถอยถ้าคนไหนมาฝึกเมื่อแก่ก็ไม่ต้องเสียใจนะดีกว่าไม่ฝึกเลยนะฝึกเมื่อแก่ก็ยังดีกว่าไม่ฝึกเลยสําหรับคนแก่นะหลวงพ่อบอกให้ไปดูพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะออกบวชเมื่ออายุต้อง60นะ่เห็นไหมออกบวชเมื่ออายุ60สิปรากฏว่าท่านก็เป็นพระอราหันต์ชั้นเลิศเพราะฉะั้นถ้าเราแก่ไปแล้วนะ ล้วก็ภาคเพียรเอาอดทนเอาถ้าเรายังไม่แก่ก็บุญแล้วที่ยังไม่ทันจะแก่รีบภาวนาซะตั้งแต่ตอนนี้ภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งอ้อจะรู้เลยโลกนี้ไรสาระคนที่แย่งชิงอะไรกันอยู่ในโลกนะไม่ได้ผิดกับหมาแย่งกระดูกกันเลยเทนะ่านั้นแหละหลวงพ่อคะพอดีมีมีญาติธรรมที่เพิ่งรู้จักกันคะ่ะเขาอพยพย้ายถิ่นมาจากเกาหลีเลยคะ่ะก็ ศรัทธาหลวงพ่อมากอะค่ะแต่ยังไม่เคยกล้ายกมือถามหลวงพ่อค่ะอ้าวเขายกเหมือนกันเหละวันก่อนมาคุยกันทีแล้วคุยกันไม่เข้าใจมาทนทนฟังไปก่อนนะเดี๋ยวพอรู้ภาษาไทยเข้มแข็งแบบนี้ให้ออก็บอกเขาให้ค่อยรู้สึกตัวไปนะเขาเขามีพี่ตรงพี่ต้องพี่วัยคอยแนะนําอยู่อะค่ะเออดีแล้วนะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าแนะนําใครไม่ให้ไปหาอาจารย์สุรวัต์ ได้คะ่ะเดี๋ยวหนูแนะนำเขาอีกทีคะ่ะน ะ, ะห้ลองไปเรียนกับสุรวัตดูอาจารย์สุรวั ต, ดดนวตหนาเก่งนะใครไปถามอะไรผมไม่รู้รผมดูจิตอย่างเดียวความจริงแค่นั้นก็พอแล้วไอ้ที่รู้มากกว่านั้นมันใบไม้นอกกำมือแล้วเอาใครจะยกมือเชิญเอาว่าไปครับนมัสการหลวงพ่อครับก็จากที่ครั้งที่แล้วมา กลับไปก็เหมือนจะดีอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับคือพอมีกิเลสมีกิเลสก็จะเห็นแล้วมันก็จะดับไป mm hmm. จนนึกว่าแม่เก่งแล้ว mm hmm. พอหลังจากนั้นมาก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมตอนช่วงนั้นคือแม้กระทั่งมีโทรศะมันก็เหมือนกับอยู่นอกๆครับมันไม่ได้เข้ามาถึงใจจริงๆ <Okay. S 2> แต่พอเมื่อเดือนที่แล้วพอไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคุณแม่ว่ามาไม่ได้ดูลูกลูก้องห้ยไม่ดูยยวะเลยครับ โกรธทั้งแม่ทั้งลูกเลยลูกทำไมร้องไม่หยุดสัทีเลยเหมือนเดิมครับแม่มันเป็นจุดที่เราไม่ได้ระวังครับจากคนอื่นคนไกลตัวนะเราจะระวังครับจากคนใกล้ตัวนะเราไม่ค่อยระวังครับเพราะงั้นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีจุดอ่อนคนใกล้ตัวเราเนี่ยสําคัญที่สุดเลยถ้าคนใกล้ตัวเรามีปัญหานะเราจะมีปัญหามากแต่เราไม่ถนอมคนใกล้ตัวนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นรู้สึกปลอดภัยครับ ก็ยังดีนะโตรธขึ้นมาก็รู้รแล้วคุณก็ยังเก่งนะคุณยังเก็บพลังงานไม่ได้ตั้งสองอาทิตย์ปกติอาทิตย์เดียวก็แบดหมดแล้วนะหมดไปแล้วก็มาฟังธรรมนะฟังธรรมมันก็มีแรงขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งห่างครูบาอาจารย์ไปไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกโดยปกติก็หมดแรงไปเพราะโลกมันดึงดูดไปแต่ถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติของเรานะมีระเบียบวินยัย ทุกวันเราทําในรูปแบบบ้างไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยแบตเราก็เสื่อมช้าหน่อยครับแต่ถ้าเราห่างธรรมะนะเหมือนมือถืออยู่ห่างเบรดมากเลยเนี่ยใช้พลังงานเยอะแป๊บเดียวก็แบตหมดถ้าเราอยู่ใกล้กับธรรมะนะเหมือนเราถือเครื่องมือถืออยู่ติดกับเสาไปเลยอยเงี้ยใช้พลังงานน้อยครับอายุยืนขึ้นครับเม <นะ S 1> ื่อเราอยู่กับธรรมะนะธรรมะก็อยู่กับเราได้ยาวหน่อยครับ ถ้าเราทิ้งเลยเราไปอยู่กับโลกธรรมะก็หายไปอย่างรวดเร็วรพอโลกมาธรรมะก็ไปพอโลกไปแล้วนะั้นธรรมะมาความจริงนึกว่าธรรมะวิ่งไปวิ่งมาพอปัญญาแก่รอบนะเพราะว่าธรรมะอยู่คงที่แต่เราไม่เห็นรธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาตลอดเวลาไม่เคยไปไหนเลยแต่เราไม่เคยเห็นให้นะฝึกหนะ้าเราก็ลืมตาตื่นขึ้นกับปัจจุบันเห็นธรรมะที่อยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งไม่เคยหายไปไหนเลย ครับนะเอาไปเบอร์สามสิบครับันากน็มาส ก, การหลวงพ่อครับมาครั้งที่สามครับไม่ทราบว่าที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ถูกหรื อ, อยังเห็นถูกแล้วนะเพราะใจมันอยู่ห่างออกมานั่นเป็นเหตุกายไม่ใช่เราแต่บางทีมันมาถึงขั้นนี้แล้วทําไม่รู้ว่ากว่าจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรามันยากขึ้นไปยินยากกว่ า, า ก, กว็าาวิธีดูว่าจิตไม่ใช่เราก็ดูไปจิตนี่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเลย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปอย่างี้ที่นั่งสมาธิอะครับมันจะตอนแรกๆที่นั่งเริ่มนั่งเป็นมังคับคิดเอาเองวันเริ่มนั่งเป็นครับมันจะเหมือนมี2 อ, อย่างครับคือข้างในกับอีกแบบดูแบบข้างนอกอะครับแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจากข้างในแล้วทําให้อไอาที่เด่นชัดที่สุดอะจ่อไปอยู่ข้างนอกด้วยช่อะไรนะไหนทําให้หลวงพ่อดูซิภาษามนุษย์มันไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่เอานั่งสมาธิไป ไปส่งไปข้างหลังก่อนแล้วคุณนะ่ะนั่งสมาธิไปเด็กนิ่มนั่งเก่งรู้สึกไหมเราน้อมใจเข้าไปให้นิ่งรู้สึกไหมจิตขณะนี้ซึมนิดนึงรู้สึกไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าโมหะสมาธินะเพราะงั้น เ, เวลานั่งเนี่ยอย่าน้อมเข้าไปหาตัวนี้เราคิดว่าตัวซึมซึมนิ่งๆิ น, งนี่เรียกว่าสงบอย่างนั้นสงบแบบไม่มีปัญญานะเราค่อยนั่งรู้สึกตัวไปอย่าให้ขาดความรู้สึกนะ นั่งจิตรวมอย่างตะกี้ก็ได้แต่ว่าไม่ให้ขาดความรู้สึกแล้วอย่าบีบตัวเองรู้สึกไหมมันเหมือนบีบตัวเองลงไปแล้วโมหะมันแทรกจิตมันจะซึมซึมพอออกมาข้างนอกแล้วมันจะซึมติดออกมาด้วยนะอย่างนี้ไม่ดีนะลองนั่งใหม่นั่งแล้วไม่บีบจิตเข้าไปนั่งดูดูอารมณ์กรรมฐานเราไปโดยไม่บีบจิตเข้าไปอย่างตะกี้นะรู้สึกไหมจิตใจมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปเนะนี่ยนั่งดูอย่างนี้ไปนะ นั่งดูอย่างนี้มันจะได้ปัญญา แ, แล้วก็มันดูอย่างนี้ของมันเองไปช่วงหนึ่งพอมันเหน็ดเหนื่อยนะมันจะรวมเข้าไปเองมันจะพักผ่อนของมันเองนะจะได้สมาธิแต่เป็นจะไม่ใช่สมาธิซึ่งซึมอย่างที่ไปบีบมันนะที่เวลานั่งแล้วเห็นเป็นสีครับเคยไปถามอาจารย์ตีนแต่ว่าตอนนั้นมันเห็นเป็นสีม่วงครับเขาบอกเป็นความคิด แต่คืออย่าไปสนใจสีสันนะเราไม่ได้นั่งดูสีสันอะไรหรอกแค่เ ร, เรานั่งรู้จิตใจตัวเองมันคืออะไรหรอครับเมื่อกี้นั่งมันก็เหมือนมีมันมันเป็นอาการเป็นนิมิตทั้งหลายแหละที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปใส่ใจมั น, นตัวสําคัญเนี่ยเราต้องเรียนรู้กายรู้ใจตัวเงไม่ได้ไปดูสีนะไม่ใช่ไปดูนิมิตสีแสงเสียงกลิ่นนิมิตมีทุกอย่างเลยนิมิตเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนิมิตเป็นธรรมารมมีหมดะ เวลานั่งสมาธิแลว้วบางทีเห็นแบบเห็นภาพนี้ภาพนี้นี่เกิดจากอะไรล่ะครับเกิดจากจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันปรุงแต่งให้เรารู้ที่จิตของเรานะ เ, ออเพราะงั้นเวลานั่งอะ่ะอย่าน้อมใจไปอย่างเม่อกี้น้อมใจไปอย่างเมื่อกี้นี้มันมีโมหะแท้พอมีโมหะแทกจิตก็ฟุ้งซ่านไปมันจะปรุงไปตามจิตใต้สํานึกของเราเห็นโะน้นเห็น น, น, น, นี่ไปเรื่อย แล้วแต่เวลาเห็นปุ๊บมันก็จะเหมือนปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเรื่องแล้วก็มันจะเป็นถ้าอย่างนั้นได้นะดูอย่าถลําตามมันไปเราแค่ดูเหมือนเราดูหนังนะระวังอย่างเดียวอย่าให้ใจเราไหลเข้าไปในจอหนังดูอยู่ห่างๆดูแบบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วเวลานั่งสมาธิทำไมมันบางทีมันปวดตาครับมันปวดตาเราเอาตาไปดูเราไม่ได้เอาใจไปดูเวลาพอนั่งเราก็อย่างเงี้ยบางทีก็น้ําน้อมใจนะจะบีบมันอ่ะที่หลวงพ่อบอกว่าพอเริ่มนั่งก็ไปบีบมันอ่ะ บีบบางทีบีบมาถึงตาเลยมันไม่รู้ตัวว่าดูวิาเค้นมันมากไปอยากให้สงบมาะพออยากให้สงบเลยวิเค้นมันเลยปวดลูกตาแล้วมันพักนี้มันติดเพ่งครับมันเพิ่งมาเริ่มใช้ได้ตอนวันสุกครับที่เริ่มรู้ว่าได้มาแน่ๆครับต่อไปนี้พยายามฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันให้มากนะฝึกประจำวันฝึกอยู่ในชีวิตประจําวันเนี้ยยืนเดินนั่งนอนนะคอยรู้สึกตัวไป ใจมีความสุขก็รู้ทุกก็รู้ใจเป็นกุศลใจลบหลุดลงก็คอยรู้ไปอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยฝึกให้มากๆนะจะไปฝึกในสมาธิเดี๋ยวติดสมาถะก็สมมติก็รู้หมดจะเว้นตอนที่ทานข้าวกับตอนเข้าห้องน้าจะยากครับที่อย่างอื่นก็พอใช้ได้ทานข้าวมันชอบกิ น, นสิมันถึงยากมีอะไรต้องพัฒนาหรือว่าครับเจริญสติในชีวิตประจําวันให้มากๆนะอย่านั่งแล้วก็บีบตัวเองเข้าไป คุณนู้นคุณข้างหลังเมื่อทิตที่แล้วที่มาส่งกันว่าหลวงพ่อยังรู้สึกแข็งแข็งยังเพ่งอยู่แต่พอมาอาทิตย์นี้มันเบาลงไปเองอะคะ่ะก็เลยทําให้เห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงมัไม่เที่ยงนะโดยอย่างนั้นดีแล้วเราบังคับพ่อไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดคือรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทำมาทั้งหมดมันเสิซฟอัตตาตัวตนทั้งหมดใช่หลวงพ่อไม่โกหกหรอกเป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> เพงเพิ่งเห็นชัดนะคะว่าแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสท่วมตัวไปหมดเลยอ๋อดียังดีนะบางคนกิเลสท่วมหัวเลยนี่แค่ท่วมตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่าในใจลึกๆอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้ทําให้บูชาพระพุทธเจ้าเราก็เหมือนกับเราคิดนะว่าบูชาพระพุทธเจ้าแต่ลึกๆเราก็ยังอยากอยากดีอยากดีอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยอยากไปนิพพานอยากนิพพานให้รู้ทันนะไม่ได้ไปเพราะอยากหรอกแต่ไปเพราะสิ้นอยาก เรนันตราบใดที่ยังอยากอยู่ไม่ได้กินหรอกแต่ถามว่าเราไม่อยากเลยได้ไม้มไม่ได้ก็ใจมันจะอยากหน้าที่ก็เคยรู้ทันใจไปเท่านะั้นนะใจมันอยากขึ้นมาก็รู้ทันมันนะแล้วมีมีความความวิตกกังวลอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอยากจะดึงแม่เข้ามาแต่แม่ไม่ยอมมาค่ะแม่ไม่มานะเราก็ทำเป็นเปิดซีดีนะเปิดดังๆนิดหนึ่งให้เขาได้ยินอย่าไปชวนเขานะเปิดไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเขาฟังไปฟังไปแบบไม่ตั้งใจฟังนี่แหละดีนักแหละ <c oughs> เสร็จมาหลายรายแล้ววิธีเนี้ยการนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ช่วงนี้ที่ปฏิบัติอะค่ะก็คือโทสะมันเหมือนจะอยู่ข้างนอกๆอกะคะ่ะหลวงพ่อไม่เข้าไปที่ใจแล้วก็โดนกิเลสซัด์น้มทั้งอาทิตย์เลยค่ะหลวงพ่อสึกแบบ <c oughs> <c oughs> บอบช้า ม, มากา <c oughs> ก็เลยก็รู้มันไปเพราะว่า ช่วงนี้คือโทสะมันเกิดพอเราเผลอปุ๊บพอรู้เสร็จแล้วมีโทสะแทรอยู่ตลอดอะคะ่ะหลวงพอ่อดีแล้วคอยรู้นะคนในโลกนะั้นมันสงน่าสงสารคือถูกกิเลสครอบงําตลอดแล้วไม่เคยเห็นเลยนะไม่มีวันที่จะชนะกิเลสได้ของเราเริ่มเห็นแลกกิเลสเนี่ยเป็นศัตรูของชีวิตเรานําความทุกข์นำความเดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากกิเลสนี่แหละงั้นให้เรามีสติไว้กิเลสผ่านมาเราก็รู้อย่าไปเกลียดมันนะ ถ้าเกลียดมันเป็นกิเลสซ้อนกิเลสอีกละให้เรารู้กิเลสอย่าไปเกลียดมันเราจะเห็นเลยความโกรธมีเหตุมันก็เกิดใช่ไหมอยู่ๆไม่ได้เกิดเองอะ่ะมันต้องมีเหตุมันถึงเกิดเช่นเราไปเห็นคนนี้ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่น่าพอใจเราได้ยินเรื่องนี้ไม่น่าพอใจเราคิดถึงคนนี้แล้วเราก็โกรธขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอกระทบแล้วอารมณ์นั้นไม่ถูกใจขึ้นมาความโกรธก็แทรกเข้ามา เพราะฉนั้นความโกรธมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปเราจะห้ามความโกรธไม่ให้เกิดไม่ได้ถ้ามีเหตุมันจะต้องเกิดนั้นแ้วมันเกิดขึ้นมาให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็นไปเราจะเห็นได้มันอยู่นอกๆ น, นะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกมันผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ก็เข้ามาคลุกเปน็นอันเดียวกันถ้าเรามีสติแล้วใจเราตั้งมั่นก็อยู่นอกๆเราไม่เกี่ยวกันนะฝึกไปนะดีแล้วล ะ, ละเดี๋ยววันหนึ่งทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงนะขอบคุณค่ะไปส่งไปข้างหลังข้างหลัง กราบนมัสการหลวงพ่อครับเอเคยเรียนหลวงพ่อว่าอาจจะต้องทําโฆษณาที่ชวนคนมากินเหล้าอะครับที่มันเป็นบาปมากแต่ว่าก็คือโชคดีไม่ต้องทําแล้วนะครับเอนะเราเนี่ยเราภาวนาไว้นะครับจับแบบเนี้ยให้มันไปอยู่ที่คนอื่นก็ผลักไปให้คนอื่นทำโดยไม่ทําแล้วโฆษณาให้คนมากู้เงินแทนครับก็บาปน้อยหน่อยเออเมืนเลยก็วิธีที่จะให้คนมากู้เงินนะ ที่ดีที่สุดนะต้องสอนให้เขาทํามาหากินด้วยก็ทําเป็นแบบ SME อ็มไอะไรเงี้ยให้เขามากู้เงินต้องให้เขาทํางานนะครับลาพังเอาที่ดินมาฝากจำนองไม่เอาเงินไปใช้ซื้อมอเตอร์ไซค์เนี้ยยังไงเราก็ต้องได้ที่ดินมาสุดท้ายแล้วเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้งั้นไหนๆจะให้คนกู้เงินแลก็ให้ความรู้เขาด้วยก็เคย หลวงพ่อเคยฟังซีดีหลวงพ่อนะครับแล้วหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งแล้วโลกจะดูแห้งๆครับคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันแห้งๆไปหมดเลยลเล<อ>ยไม่รู้ว่าใช่ช่วงไหนหรือเปล่าใช่ใช่แต่มันเป็นช่วงคราวนะให้อดทนนะรู้ไปรู้กายรู้ใจไป ม, มันแห้งๆมาสักสองสาอาทิตย์แล้วเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็เปียกอีกพระพุทธเจ้าสอนน้าบอกใจเราเหมือนไม้นะคนที่กิเลสหนาเนี่ยเหมือนไม้สดๆแล้วก็แช่อยู่ในน้ํา นคนเราที่ภาวนานะีเหมือนเราไม้ออกมาจากน้ำแนละ้วแล้วก็อยู่ไปแล้วไม้เป็นแหง้งครับออตอนนี้ก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยนะครับแต่ว่ามันก็มีคําถามขึ้นมาคําถามหนึ่งครับอยู่ยิมก็มีคําถามว่าคำถาม น, ามนึงว่าถ้าภาวนาต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะถึงจุดที่เราหมดอยากไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเบื่อกับความอยากมากเราไม่พ<ว>ุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายใช่ไหมตอนนี้เราเบื่อหน่ายแล้ว เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือในกายในใจเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะงั้นต้องภาวนาอย่างนี้แหละเขาถนแห้งไปองมันแห้งอะไรมันแห้งหรือไมมันเริ่มเห็นโลกนี้ไร้สาระแต่เดิมนี้โลกอริเออรอร่อยโลกดึงดูดให้ใจเราเข้าไปเคล้าเคลียพอเรามีสติมีปัญญามากขึ้นโลกที่ว่าเคยอรเออรอร่อยนั้นกลับดูแห้งแล้ง <c oughs> นะไม่สามารถดึงดูดใจเราเข้าไปได้อีกต่อไปแล้วเ <c oughs> นี่ยเราฝึกไปนั้นในที่สุดใจเราก็จะออกมาห่างโลกออกมา <c oughs> เราจะรู้โลกนะแต่ไม่คลุกอยู่กับโลก <c oughs> โลกก็เป็นส่วนของโลกแล้แต่มันกลัวว่าเหมือนพอช่วงนี้พอเราภาวนาแล้วเราอ น, นี่เป็นช่วงเดียว <c oughs> นะเดี๋ยวจะหายไปแล้วใกล้จะเสื่อมแล้ว <c oughs> อย่ากังวลบูบเลยก็ อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนพอเราภาวนาแล้วใช่ไหครับแต่เราก็ยังมีอีโก้อยู่ในตัวครับพอเราพอเรามีอีโก้ปุ๊บพอเราเห็นคนบางคนแบบกินเหล้าสําเร็จเทมาลเราบางครั้งเราจะรู้สึกตัวว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยนั่นแหละดีซึ่งเราไม่ชอบความรู้สึกนั้นนะชอบไม่ชอบมันก็ต้องมีครับพระอนาคามียังมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่กระทั่งพระอนาคานะก็หนีความรู้สึกนี้ไม่ได้ความรู้สึกนี้เรียกว่ามานะมานะคือความถือตัวโดยการเปรียบเทียบ เทียบเรากับเขาอะเราดีกว่าเขาเราเท่ากับเขาเราเล็วกว่าเขามีเรามีเขาเนี่ยเราก็รู้ทันไปนะยังไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้กับตัวนี้หรอกยอมแพ้มันไปก่อนตอนนี้ต้องต่อสู้กับความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรางั้นเราดูไปใจแห้งแรงใจแห้งแรงนะไม่ใช่เราแห้งแรงกายยืนเดินนั่งนอนมันเดินของมันเองยืนเดินนั่งนอนของมันเราเป็นแค่คนดูนะกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะัเรื่องของจิตมันทํางานมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรืๆตั้งเป้าให้ถูกนะเป้าหมายแรกตอนนี้ยขจัดความเห็นผิดว่ากายกายใจเป็นตัวเราครับนะยังไม่ต้องไปสู้มานะนะมานะเอาไว้ให้พระอนาคามีท่านไปต่อสู้เอาเองครับอ่ะทางนี้บ้างทางนี้บ้างคนไหนยกแล้วหลวงพ่อไม่เห็นหนะโหสีให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อมองไม่ทันดอกเยอะเหลือเกินแล้วยกแล้วก็ไม่ได้ก็มีนะ ไปไม่ถึงเอาว่าไปตอนนี้ใจมันคึกคักอะค่ะเพราะว่าพาคุณแม่มาด้วยค่ะฝากหลวงพ่อด้วยน ะ, ะไหนแล้วคุณแม่อยู่ไหนอะเสื้อสีแดงเนะคะ่ะเราทำไมไม่เลี้ยงดูแม่เรายะมาฝากหลวงพ่อ <c oughs> แม่นะ่ะมีบุญแล้วนะลูกสนใจธรรมะถ้าบ้านไหนลูกสนใจอาธรรมนะกลุ่มใจตายเลยเพราะนั้นถ้าลูกสนใจธรรมะนะต้องถือว่ามีบุญแล้วนะ พอมีบุญแล้วหนูก็ไปเปิดซีดีหลวงพ่อดังๆนะให้คุณแม่ฟังอยู่อะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ให้เพื่อนฟังด้วยดีนะฟังซีดีหลวงพ่ออย่างเดียวไม่พอนะฟังแล้วต้องสังเกตใจของเราไปด้วยนะใจเราแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยดูไปทั้งวันเลยนะดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นธรรมะเอาไปต่อไปใคร วันนี้เพิ่งเห็นความอยากส่งกันบ้านเป็นทุกมากๆากะคะ่ะหนูยกมือมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละคะ่นะ <laughs> แล้วมันก็ก็มาหาหลุงพ่อบ่อยแต่ไม่รู้สึกชัดเจนขนาดนี้อะคะ่ะ เ, เห็นน้องๆเขายกขยับมือหลวงพ่อเทียนก็นึกว่าเขาจะแย่งยกอะไรอย่างะะนะเงี้ยค่ะเกรียดเลยนะ <laughs> บางคนเขาไล่แมงวันหลวงพ่อเคยไปชี้นะ <laughs> อา้าวเขาบอกเขาไม่ได้ยกมือเขาไล่แบ่งวันนะ หนงกันบ้า น, น, า น, านค่ะก็เตรียมกันบ้านมานะคะว่างไงคือลูกสาวเป็นภูมิแพ้ะค่ะเวลานอนเนี่ยเขาจะมีเสียงขึกในคอนะคะแล้ววันหนึ่งหนูก็เห็นว่าอยู่ๆเนี่ยในความมืดมืดเนี่ยมันก็เหมือนมีกลวยบางอย่างพุ่งขึ้นมานะค่ะในความเข้าใจนะเนี่ยมันเห็นว่ามันเป็นความเข้าใจว่ามันอยู่ในความไม่มีอะไรแล้วก็จิตมันเหมือนดอกไม้ที่มาบาน<อ>หลังจากนั้นเราก็ ตัดความรับรู้มาเป็นการตื่นแล้วรู้ว่าเป็นเสียงลูกอะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็บางคืนก็รู้สึกมันไหวแวบๆเหมือ น, อ, นอะไระสีงอยู่ในตัวเราน่นสติมันทํางานได้เร็วสังเกตไหมแต่เดิมมันไม่มีอะไรนะมันมีเสียงมากระทบหูแต่เรายังไม่รู้ว่าเสียงอะไรใจมันก็แห ว, วกตัวผุดขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงไปกระทบเสียงคราวนี้มันถึงจะแปลได้โอ้นี่ลูกเรามีเสียงแล้หายใจดังอะไรอย่างเงี้ย พอลูกเราหายใจดังเห็นไหมสเต็ปถัดมาชักจะเป็นห่วงแล้วเนี่ยเนะการทํางานของจิตมันเป็นทำอย่างนี้นะนคือแต่เดิมมันอยู่ในภวังไม่ได้ขึ้นมารับรู้อารมณ์ภายนอกมีเสียงมายัว่วมีเสียงมายัว่วหรือมีรูปมีกลิ่นมีรสอะไรมายั่วนะมันก็ค่อยไหวตัวขึ้นจากผวังจิตขึ้นมาจากผวังขึ้นมารับรู้อารมณ์ภายนอกแต่ตอนที่มารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายครั้งแรกนั้นนะมันสักแต่รู้สักแต่ว่าเห็นมันไม่รู้ว่าคืออะไร มันมารู้เพราะว่าจิตมันทํางานอีกชั้นหนึ่งมันถึงจะแปลออกมาได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คือนี้พอมันแปลได้แล้วมันก็เริ่มตัดสินเริ่มให้ค่าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะแล้วจิตถึงจะเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยวิธีของจิตเป็นอย่างนี้พอมันเกิดกุศลอกุศลนะมันก็เรียกว่ามันไปเสวยอารมณ์นะเช่นมันเป็นห่วงลูกนะวงอยู่ช่วงหนึ่งจิตจะลงผวังอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เดียวก็ลงอีกนะขึ้นลงอยู่อย่างนี้ทั้งววันนะดีีแล้ท่เห็ ทำไมหนูมองหลวงพ่อไม่ชัดแล้วเหมือนมันมันอยู่กับตัวเองอะคะอ๋อมองไม่ชัดหรอกไม่มีใครเห็นหลวงพ่อชัดหรอกเพราะห้องนี้มันมัวอีกนิดนึงนะคะคือหนูจะมีปัญหาว่าถือสินข้อสีกับลูกไม่ได้เลยอะค่ะคือมันจะนัวเนี่ยเล่นกันแล้วก็ปากไวามีทั้งคําหยาบเสียดสีลูกพูดเพ้อเจ้อก็อยากจะรักษาสินให้ได้ไม่เป็นไรนะเลี้ยงลูกไว้ก่อนนะ เลยไม่ได้ไปหลอกไปลวงใครก็เล่นกับลูกไปขอบคุณค่ะอะไปกรับเทศการหลวงพ่อครับก็คือตอนนี้แบบก่อนจะนอนเนี่ยก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันมีจิตอยู่แล้วสักพักหนึ่งจิตมันก็ไปรวงกับโมหะแล้วมันก็หลับไปพอจะตื่นปุ๊บจิตมันก็ไปรับรู้ว่าตอนนี้กําลังฝันอยู่อืพอฝันอยู่ปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะแบบค่อยๆแยกออกจากฝันแล้วก็แล้วค่อยๆแบบตื่นอมาอมเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้ว เราช่วงนี้ต้องมีอะไรปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะไม่ต้องนะคุณเริ่มภาวนาจนสติมันเริ่มอัตโนมัติแล้วนะมันเห็นกระทั่งกระบวนการหลับกระบวนการตื่นดีละฝึกไปต่อไปเวลาเราฝันแล้วฝันร้ายขึ้นมานะสติก็ทํางานเองละว่าสติทํางานเองสมมุตินะว่าฝันเห็นต้นงิ้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจสยองเลยถ้าใจสยองเนี่ยสติมันทํางานนะมันเห็นความกลัวความกลัวขาดสะบ้านนั้น ต้นยิ้วหายไปเลยนะกลายเป็นต้นปาริชาติแทนนะครับอ่ะไปส่งไปหนุ่มเสื้อแดงมัสการหลวงพ่อครับตั้งหลังเวลารู้สึกตัวขึ้นมามันจะเหมือนแต่ว่ามันไม่พูบว่ามืนช่วงแรกๆครับมันจม่บุบเออนั่นแหละมันชำนาญเป็นอย่างเดี๋ยถามว่ายังถูกอยู่หรือเปล่าถูกสินะบุบบ้าตลาดชีวิตก็แย่เลยเฉาเฉาตายเลยต้งหลังมันเลยกลายเป็นแบบเลิกไม่แน่ใจว่าระหว่างวันเราเผลอไปหรือว่าเรารู้สึกให้รู้ให้รู้ทันปัจจุบันรู้ทันว่าไม่แน่ใจ อะไรเกิดขึ้นก็ตามเถอะให้รู้ลงปัจจุบันไปเรื่ยรู้ทันไปตอที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราอยู่อย่างนี้นี่คือถูกถูกแล้วที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราเพราะจิตมันตั้งอยู่ต่างหากถ้ามาเห็นกายเป็นของแค่ที่ถูกรู้ครับผมจิตมันแยกออกมาจิตเป็นแยกออกมาคือระหว่างวันมันจะมาเห็นกายอย่างนี้บ่อยส่วนใหญ่ครับก็เลยถามว่าจะเอานี่เป็นวิหารธรรมอย่างได้ใช้ได้เอากายเป็นวิหารธรรมใช้ได้นะแล้วจิตขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็รู้นะถ้าจิตมันเป็นผู้รู้อยู่ก็รู้ไป ช่วนีเวลาเห็นกิเลสเหมือนมันจะอยู่นอกๆครับผมมันเข้ามาไม่ถึงใจครับเออนะถ้ามันจะเข้ามาก็อย่าไปว่ามันคือพบสิ่งว่าพอมันเข้าไปรวมมันจะทุกขึ้นมาทันทีเลยครับแน่นอนลนะ่นะถูกต้องแล้วครับนะต่อไปปัญญาแก่กล้าวกว่านั้นอีกจะพบว่าถึงไม่รวมกว็ทุกข์เราทุกวันตอนกลางคืนก็จะพยายามนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วก็ก็ดีสังเกตจิตไปนะี่คือที่นั่งอยู่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะทักเพียนไปนะดีแล้วขอบพระคุณมากนะครับมาทางนะี้มาทางนี้เขายกมือกันหลายคน พวกที่ยกแล้วไม่ได้ส่งกันบ้านก็อย่าเสียใจนะโยมเยอะหลือเกินหลวงพ่อก็จดบัญญาละเอาว่าไปกลับนมัสการหลวงพ่อครับเเป็นครั้งแรกที่จะมาส่งกันบ้านครับปกติฟังแต่ซีดีของหลวงพ่อครับเลยอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับของคุณก็พอใช้ได้แล้วนะกิเลสอะไรเกิดคุณก็ดูไปอย่างนั้นแหละ ค, คอยรู้ไปใช้ได้อยู่ดูอย่างนี้<ป>ถือว่ารู้นอกๆหรือเปล่าครับตอนนี้ใช่ไหมถ้าตอนนี้รู้นอกๆใช่ เนีออ่ยใจมันสงสัยขึ้นแวบหนึ่งรู้สึกไม้มตะกี้เนี่ยครัก่อนจะร้องอ๋ออ๋อไปอย่างนั้นอะความจริงใจสงสัยเห็นไหมเป็นสงสัยขึ้นมาแล้วอ๋ออะไรอี้ยครับนะรูล้ลงปัจจุบันไปอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อครับมีคําถามอย่างหนึ่งครับคือดูจิตดูใจมาแล้วรู้สึกว่าความคิดอกุศลมันเกิดขึ้นเยอะในแต่ละวันแต่เดิมมันก็คิดนะแต่เราไม่เคยเห็นครับงั้นเราก็เลยจมอยู่ในอกุศลต่อไปนี้จิตคิดอกุศล ข, ขึ้นมาเราก็จะเห็นนะ เราก็จะไม่จมอยู่กับอกุศลแต่บางทีไม่รู้สึกว่ามันเป็นกลางเราควรจะทำยังไงดีครับให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเราไม่ทำอะไรมากกว่าการรู้นะลองไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรนะมีกิริยาหลักอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หายใจออกหายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนก็รู้เป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆก็รู้โลบโกรดหลงก็รู้ไม่โลภไม่โกรดไม่หลงก็รู้รู้ลูกเดียวนะครับรู้ไปเรื่อยๆ S <S ส่วนมันไม่เป็นกลางรู้แล้วมันยินดีรู้แล้วมันยินร้ายก็ให้รู้ว่ายินดียินร้ายนะยินดีินร้ายเป็นอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆแล้วก็รู้ไปอีกในที่สุดวนันหนึ่งก็เป็นกลางการเป็นกลางเนี่ยเกิดจากมีปัญญามันเห็นว่าทุกสิ่งชั่วคราวทุกสิ่งเกิดแล้วกระตับทุกสิ่งชั่วคราวไม่มีอะไรดีกว่าไหนไม่มีอะไรเลวกว่าไหนในปัญญาขนาดนี้เกิดนะถึงจะเป็นกลางอย่างแท้จริงถึงจะสักว่ารู้สักว่าเห็นอย่างแท้จริงเหมือนอย่างที่เนี่ยคนนี้เป็นโอเนี่ยเป็น ครนะับกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อมาส่งมาข้างหน้าข้างหน้ากราบนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะรู้สึกว่าตัวเองนี้ชั่วมากเลยชั่วแล้วก็โง่มากด้วยะคะ่ะไม่โง่ไม่ไม่โง่ก็ไม่ชั่วหรอกคนเราทั้งโง่ทั้งชั่วคือเอาความเป็นตัวตนของเราไปไปบังคับคนอื่นใช่นะ คือบังคับตัวเองไม่พอไปบังคับไปแทรกแซงคนอื่นใช่ตัวเองก็บังคับไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราอยากไปบังคับคนอื่นเนี่ยเราห้ามมันไม่ได้นะแต่เราเที่ยวไปบังคับคนอื่นใช่คนะ่ ด, ดีดีที่รู้ทันนะแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะจะมีความสุขมากขึ้นคือก็ในความโง่ความชัว่วนี้เราก็ได้เรียนรู้และเติบโตค่ะใช่ถูกต้องแล้วนะเหมือนปุ๋ยนะปุ๋ยทำมาจากของไม่สะอาดแอกแต่มีประโยชน์นะต้นไม้งอกงามดีดีค หลวงพ่อคะก็คือวันนี้ก็มีโทรสะอยู่ถูกไหมคะถูกถูกแล้วก็คนคมีโทรสาเยอะนะค่ะอยากยุกมือแล้วหลวงพ่อไม่เรียกก็โทรสะก็เกิดแล้วโทรสะเกิดตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะอืมรู้ไปนะค่ะมาส่งมาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหลวงพ่อคะขอะโอกาสอีกหน่อยคะ่ะคือว่าออทุกวันนี้ก็เดินจงกรมประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์นะคะเท่านี้พอไหมคะพอนะ แต่ว่าทุกครั้งที่เดินในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยรู้สึกตัวแต่ว่าอย่าประคองใจนะอย่างประคองใจให้ซึมมากไปนิดนึงมันกลับมาติดเพ่งอีกนะคะประมาณสอสาสัปดาห์นี้อย่าไปเกลียดมันรู้มันไปอย่างที่มันเป็นถ้ามันติดเพ่งไม่เลิกนะก็เลิกปฏิบัติมันไปเลยถ้ามันไม่เลิกเพ่งนะจำไว้นะถ้ามันไม่เลิกเพ่งก็เลิกปฏิบัติไปเลยทิ้งมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมารู้สึกเอาใหม่คล้ายๆหมากตานี้เล่นยากแล้วล้มกระดานมันไปเลยคนะ เริเ่มฟังซีดีหลวงพ่อไปสักช่วงได้ไหมคะได้ได้คือฟั ง, ฟงแล้วเขาจะไปเพลงน ะ, ะเออไปฟังเพลงแทนนะฟังเพลงแล้วก็ลุกขึ้นเต้นก็นยกกระยักไปเดี๋ยวมันก็หายเพง่งเองเลยค่ ะ, <น>ะขอบพระคุณค่ะมาส่งมาทางนี้นะกล่าวในมสศการหลวงพ่อค่ะรู้สึกระยะนี้มันจะมีโมหะตลอดเลยค่ะแล้วก็เออมันจะมันจะ ที่มันมันมันจะยึดนะที่จะเอาเรื่องเขาตลอดเลยหลวงพ่อแล้วมันก็ไม่หายไปไหนเออห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมไล่มันก็ไม่ไปใช่แล้วให้ยอมรับซะยอมรับความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้ค่ะแต่ใจเรายังไม่ยอมรับใจเราก็เลยดิ้นรน ใ, ใจเราก็เลยมีความทุกข์ธรรมะเนี่ยนะสอนเราอย่างเข้มงวดนะพอเราไม่เชื่อฟังธรรมะเราก็ได้รับความทุกข์ขึ้นมา ก็ก็มันก็พยายามเลคะหลวงพ่อไม่รู้เล่นๆไปนะอย่าพยายามเยอะนะได้ค่ะดูเล่นๆรู้ไปสบายๆวันหนึ่งมันก็ผ่านไปเองค่ะไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไปค่ะกล่าวนมัสการมาเบอร์เก้าหใช่ไหมเอาเบอร์ห้ก่อนเอานมัสการหลวงพ่อค่ะมาสามครั้งแล้วแต่ไม่เคยส่งการบ้านจะขอส่งการบ้านนะคะจะยกมือไหม ไม่เคยคะ่ะอ๋อคนนี้เก่งนะมายกทีเดียวได้เลยทีนี้ว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาก็ตามดูความคิดพอความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่ารู้ว่าคิดมันก็ดับไปก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็มีอยู่วันหนึ่งรู้สึกไหมในเวลาเราคุยเราเช็คอินแล้วลค่ะให้เรารู้ทันใช่ค่ะมีอยู่วันหนึ่งความคิดมันก็หายไปก็รู้ตัวว่าจิตก็หา ย, ย่ายเลยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่คิดอะไรเลย ก็รู้สิว่าจิตกำลังค้นหาอยู่ค้นหาอยู่แ ล, แล้วก็พอมันหาไม่เจอมันก็มาดูกายกายเดินไปกายทำอะไรก็ก็จะรู้ไปเรื่อยอก็จะเรียนทํามหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาทุก ร, รู้ไ ป, ไปน ะ, ะแต่ถ้าใจเฉยเฉยซึ้บื้ อ, อ, อปไปงั้นใช้ไม่ได้นะ ต้องรู้แล้วก็มีความสุขมีความเบิกบานบางทีมันก็เบิกบานมากไปแบบไร้สาระแบบนี้ค่ะนั่นอ น, นุเนะไปค่ะก็อยากจะขอการบ้านหลวงพ่อด้วยค่ะก็ฝึกของเรานะไไนทุกวั น, ไไนแต่ว่าให้การบ้านพิเศษอย่างหนึ่งคือคุยน้อยๆ <c oughs> นะอันตรายของคุณอยู่ที่การคุยนะ <c oughs> เอาใครจะยกมือได้อ้อาไปทางนี้ เ, อเบอร์นี้สิเมื่อกี้ให้เขาไว้แล้วนี่เข้ามาข้างหน้าหน่อยมา เบอร์เกลืมไปแล้วเห็นไหมกาบนมาสการกาบนมาสการหลวงพ่อคะ่ะมาครั้งแรกคะ่ะพอดีว่าได้กระจ่งว่าระหว่างสมถะกับวิปัสสนาก็ฟังจากซีดีหลวงพ่อคะ่ะแต่ว่าวาั้งเมื่อวานที่หลวงพอ่อบอกว่าให้ทําใจเหมือนดอกไม้บานวางครั้งก็ทําไม่ได้บางครั้งก็ทํไาทได้แต่แม่เมื่อวานมันเฉาไปมังม้งหลวงพ่อก็เลยบอกให้มันสดชื่นในนะ ว่าเดี๋ยวก็แวบออกมาเหมือนซึมอีกแล้วอะค่ะหลวงพ่อกระดุกกระดิกไปเคลื่อนไหวไว้น ะ, คะเคลื่อนไหวบ่อยๆอย่าให้ใจมันนิ่งถ้า ใ, ใจมันนิ่งมันเหมือนน้านะพอนิ่งแล้วเน่าเรากระดุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวไว้อเอาไปข้างหลังไปคนผู้หญิงไม่ใช่คนนี้นะข้างหลังอีกทีหนึงคนนี้ยกทีหลังครับอาน้นนมัสการค่ะ มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยส่งกันบ้านแล้วก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยมันมีความคิดที่อยากถามแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากถามอยากไปลองดูเองเออแต่เมื่อกี้ที่ระหว่างรอก็รู้สึกว่าใจมันสั่นมันอยากจะถามจริงๆขึ้นมาแล้ว อ, อ้าวถามไปค่ะ <laughs> อยากอยากจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองค่ะ mm hmm. คือตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นคนตั้งใจที่จะต้องทำอย่างจริงจังทำแบบเล่นๆแล้วก็ทำในแบบที่ชอบก็คือตอนเราว่ายน้ำ mm hmm. เราก็เอาตัวเราเอาใจเราเนี่ยอยู่กับอาการของกาย mm hmm. แล้วพอเราหนีไปคิดอย่างถ้าเราว่ายน้ำอยู่เราก็จะหนีไปคิดว่าลูกทำอะไรอยู่เนี้ย mm hmm. พอรู้ตัวอีกทีอ้าวเราหนีไปคิดเราก็กลับมาใหม่เออดียนงะั้นค่ะ พอทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าทำแล้วชอบทำแบบนี้ก็เลยทำแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงจากจากลูกอะคะ่ะลูกบอกว่าให้คะแนนแม่สิบคะแนนเต็มแม่ขี้โกรธตอนหลังมาทาอีกทีบอกหกตอนนี้เหลือสี่แล้วคะ่ะรู้สึกดีใจมากนะ <laughs> นี่เราภาวนานะคนรอบๆตัวเราเขาก็จะมีความสุขขึ้นนะอย่างพอเราอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมบางทีก็ไประบายใส่เด็กเด็กเขาเครียด เด็กทุกวันนี้น่าสงสารนะเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษรวมทั้งใจที่เครียดของพ่อแม่ด้วยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษมากที่สุดสําหรับเด็กเลยแล้วเวลาเราโกรธมันมันหวงโกรธอะค่ะยังโกรธอยู่โกรธอะอย่ากโกรธอีกอะไรเงี้ยให้รู้ทันไปนะมันยังมันอยู่มันยังมันอยู่ยังรู้สึกมันดี <laughs> พอรู้ตัวว่าไอ้นี่โกรธอยู่แต่อีกใจมันก็บอกว่าเอ้ยต้องโกรธต่ออีกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ มันก็นยังห่วงอยู่ไม่งั้นเป็นเสียเอกลักษณ์ของเรา <c oughs> เสียอัตลักษณ์ใ่เราต้องเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยฝึกไปนะสุดท้ายเราจะพบเลยกระทั่งการที่จะดำรงความโกรธไว้นะก็เพื่อเซิร์ฟตัว ต, วตนเรานั่นเองนี่แหละเราจะต้องเป็นอย่างนี้แหละเพื่อการประกาศว่าตัวเรายังมีอยู่นะ<ต>ขอบคุณภาวนา<ต>ใช้ได้นะขอบคุณค่ะแต่ก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะใช่ถ้าโกรธต้องสบายหรือทุกข์ก็ มันไม่หนักเท่าแต่ก่อนนะคะ เ, เดี๋ยวนี้มันทุกแบบเบาๆอก็แต่ก็ยังทุกอยู่ อ, อดีแล้วที่เห็นคุณโซ<ะ>มาเบอร์สามสามหลวงพ่อแต่ก่อนก็ทํากรรมฐ า, านตอนว่ายน้ํานะี่แหละชอบว่ายลงไปในน้ํานี้ไม่จมนะหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ลายตุ๊บต่องตุ๊บต่อง <c oughs> เวลาดําน้นํานี่ยากมากเลย <c oughs> อ้าวเบอร์สามสิบสามค่ะกลับนักสักการหลวงพ่อค่ะหนูภาวนาใช้ได้หรือ ย, ยังอคะประคองมากไปนิดนึง แต่ตอนที่ไม่ได้หยิบไม้นี่ใช้ได้แต่ยังไม่เป็นกลางใช่ไหมคะอะไรนะยังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นกลางนะให้รู้ว่ายังไม่เป็นกลางให้รู้ไปนะต้องทําในรูปแบบบ้างไหมคะเช่นสดมนกับนั่งสมาธิใช่สดมนั่งสมาธิแต่ไม่ได้นั่งเอาเครื่นะหลวงพ่อช่วยนําได้ไหมคะนั่งสมาธิวางไม้ไปแล้วนั่งไปขอคุณอย่าน้อมใจลงไปนะให้รู้ดูอยู่ห่างๆเออดูให้มันห่างขนาดนั้นนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยๆ รู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนนะก็แค่รู้นะว่ามันเคลื่อนไปเนี่ยหลงไปแล้วทราบไหมจิตมันหลงไปเราก็รู้ว่ามันหลงไปใช้ได้นะนั่งนั่งระดับเนี้ยอย่าให้มันงีลงไปนะไม่เอานิสัยเสียไปหมดเวลาแล้วเชิญกลับบ้าน